โอกาสเกี่การมพรึ่ปฏิบัติของราตีที่สี่แล้วก็ให้นักปฏิบัติทั้งหลายต้องตั้งสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยในชีวิตเราเนี่ย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 ให้ปฏิบัติตามเราเราถึงจะพึงพอใจและปัทนาในศักว์เดียงนั้นว่าฉลาดนั้นและวานารักษด้วยการที่เราวัวตาลักคนอื่นวัวตาฝึกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วัวตาฝึกลูกของตัวเองฝึกสามี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 เป็นธาตุของหูของตากระเกวันนีวหอนทั้ง5มนเองมนุษย์เนี่ยก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรังเลสงสัยเกิดความนึกคิดปงแต่งพระพุทธเจ้าต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมโนนะมโนใช้คว่ามโนธมักมโนก็คือการคิดปงแต่งฟุ้งซ่านันเองการยึดติด ต่อสภาวะที่ไม่เป็นความจริงก็คือตัวเรานี่แหละไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าเหตุเนี่มันเกิดจากหรือสาเหตุเนี่มันเกิดจากอะไรพมื่อเรามีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนจะเอาชนะเราจะเอาชนะกิเลสเนี่ยก็ต้องชนะตัวเองเหมือนในขณะดนี้ พยายามกำหนดรู้ยิ้มให้กับตัวเองไว้ตอนนี้เราต้องรักตัวเองแล้วอย่าเบื่อตัวเองอย่าอิจฉาตัวเองมีแต่อิจฉาคนอื่นแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเรายิ้มเข้าไว้ยิ้มไว้ในใจว่าเรายิ้มในใจเนี่ย จิตที่แข็งกระด้างที่เราไม่เคยรู้ใจไม่เคยเข้าใจตัวเองจะรู้สึกว่า <c oughs> อึดอัด ก, <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าเรามาฝ้นตัวเองมาฝึกตัวเองเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเมื่อก่อนเนี่เราเป็นสัตว์มนุษย์จิตมันตกอยู่ในอบายวยผู้พวกูองเปอโสรนสกายสัตว์เดรัจฉาน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 เข้าไปใจิตใต้สานึกของเราไอจ้จิตได้สานึกเราเนี่ยมือนก็นึกปรุมแต่งไปเพราะเราเป็นเหมือนคนบ้าเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเรียกว่าสัตว์มนุษย์ที่ยินดีก้นหินก็คือทองนี่แหละทองเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นแร่ธาตุที่มันหายากแต่เอาแร่ธาตุที่บุกมา เอากระดาษเอาอะไรที่ปรงแตกขึ้นมาเป็นกระดาษเป็นเงินเป็นทองสมมติว่าเป็นแบงค์พันแบงห้าร้อยเป็นเพชรนิลจินดาเพรามันก็มาจากแร่ธาตุนักปฏิบัติทั้งหลายลองนึกเข้าไปเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยวันสำคัญก็คืออาหารเมื่อเรามีอาหารเนี่ยเรามนุษย์ยังถูกพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเสื้อผ้าผ่อหมอนมุม้งพัฒนาการเป็นอยู่การกินเนี่ยก็มียารักษาโรคต้องกันโรคเรียกว่าสุขลักษณะ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 อย่างเช่นเขาสร้างเครื่องดินเนี่ยหรือใช้อาวุธที่รุนแรงในอเมริกาเนี่ยเขากนกเหยื่อมเอามาเลี้ยงแล้วก็ด้วยสัญชาติญาณของความเป็นนกเหี่ยอเป็นนักล่าเนี่ยในจังหวัดที่มันโฉบเฉี่ยวเนี่ยมันทิ้งน้ำหนักความเร็วไวเนี่ยพยุคเฉ ย, ยเนีย่มันไม่ได้มีความแรงอยู่ที่ปลายเล็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 ในขณะที่มันล่อนมันทิ้งตัวทิ้งน้ําหนักลงมาเนี่ยมันจะกลางเล็กออกมาแล้วก็เกลงแล้วก็กระแทกเข้าไปเอเนื้หอหังสัตว์รงเหมือนเราเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยมีก้อนหินมากระแทกหรือมีรถมาชนเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยแรงกระแทกอันนั้นจะทาให้กระดูกหรือ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 เกินความอยากได้บ้านได้รถได้เรือแก่แหวนเงินทองลูกผัวสามีความรักความยินดีต่างๆในขณะ น, นี้เราไม่พัฒนาะมทำจิตใจของเราเนี่ยให้ว่างเปล่ายิ้มเข้าไ้มองเห็นใจตัวเองว่าโ oh, no อ๋นาเองไม่ได้กินอะไรเลย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 บางส่วนที่มันแย่มากก็เอามาลากอย่างทาถนนบางส่วนก็กลั่นเอาที่บริสุทธ์ใสออกมาก็มาเปลี่ยนน้ํามันน้ํามันก็มีหลายเกจเกจเอบีซก็วางไปก็เหมือนกันแก๊สก็เช่นเียมกันก็ทั่งโถมาจากสรา้รางเคื่องสร้างส ท, ที่มันล้มทับไปกันมาเนี่ย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 มีรถ ด, ดีๆขี่มีบ้านหลังใหญ่ๆมีเครื่องประทินโฉมมีน้ำหอขวดะหลายหมื่นบาทมีอาหารดีๆมีภาชนะโอ้ยเรามันเขามันรวยภาชนะมันก็มาจากหิ น, นนะเรามีแหละหินดินดานเอาดินเนี่ยไปเผาแล้วก็เคลือบ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 มันหอกเหิเดินอากาศไม่ได้หรอกท้ายสุดรถแต่เป็นของอันนี้จังเห็นไม้มพระพุทธเจ้าอันนี้จังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเหมือนสังขารเราเนี่ก็ไม่เที่ยงไอ้เธอหล่อทั้งหลายคุณสวยทั้งหลายเนี่ยท้ายสุดมันต้องอะ เ, เป็นของที่มันไม่เที่ยง ต้องแกชาา่ชราเคยเห็นคุผปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่เราหรือเปล่าเมื่อเรามองเห็นขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบันขนาดนี้เนี่ยเราได้เคยนึกถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าโอโน้นอชีวิตคนเราเกิดมาแค่สองหมื่นกวันเท่านั้นเอง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 ฟังตัวเองว่าก็คือมีสติเหมือนในขนาดนี้ เ, เรามาพิจารณาว่าโ อ, โนโอ๋น้อมาหาทัางก่นเราชีวิตของตัวเองว่ายากลำบากอึดลถเมย์รเมย ม, มันก็หนีบรงเท้าอาหายข้างหนึง่งโยมมาตังโกนว่าพักตกลดพักก็ตกลงนะมาหาเองก็ เขาทานเอาสตังเนี่ยปัจจัยเนี่ยไปเรียนเนี่ยแต่แลคนแต่และองค์เนี่ยที่เรามาเรื่อพอเขเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนผักป่านะที่เขาเปรียบเหมือนผักที่เขาปลูกเพื่อเอาไว้จักจินท์พวกเราก็เกิดมาเพื่อ ให้มันหมดเวลาไปเฉยๆถูกกิเลสมันกัดกินกันงไปถูกเอาเสื้อผ้า ส, สวยๆไปตะแหวงหาซื้อมาชั้นอกชั้นในถูกนองลองเท้าเครื่องประทินโฉมเรืนลวดแต่เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเราใช้จ่ายมากเราก็ต้องตะเกียกตะกายหามาก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 คนดังช่วยกันทุกคนสแสดงมีความน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่มันมีความมีสติมีการฝึกฝนให้สร้างคุณกับความดีลักความชัวนะ่วนมาประกอบกับดีสร้งไฟตัางมามานณนที่ต่างๆไกลๆด้วยเกือบจะทั่วประเทศทำไมเราไม่ขัดแย้งกัน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 เมื่อเรารู้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ไม่สายมันก็ไม่เกิดเหตุแล้วนีองก็เหมือนเราอยู่ร่วมกันในขนาดนี้นพี่ก็ไม่แยกกันไม่ทะเลาะเขตแดนกันการกินอยู่ก็หลับนอนนีก็อยู่ร่วมกันทั้งทั้งที่ไม่ใจพี่น้องคานตามกันมาอิเลสเนี่มันทําให้พี่น้องคานตามกันมาเนี่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 มนุษย์ที่เกิดมาสมบูรณ์ดีไนะด้เหมือนลราในขนาดนี้แต่กิเลสมันทําให้เราเนี่ยมัว ม, มองเศร้าหมองมีชีวิตลังทศโศกเศร้า อ, อ, อาโดนเสียใจเพราะความไม่มีเพราะความอยากได้การคิดปรุงแต่งมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมัวหมองโดยที่มไม่รู้ตัว คนเราก็มีความรักมันคู่กับความชังความโกรธความเกลียดกันเองเมื่อเราแยกรักไม่ได้โกรธไ ม, ไ, ไม่ได้เกลียดไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุขรู้ผิดถูกชดดีได้เหมือนในขณะนี้ที่เราฝึกตัวเราเองพยายามมองแล้วก็เข้าใจตัวเองว่า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 เช้าเนียเข้าไปเหมือนนกเยี่ยงกาเลยไปแต่เช้ามืด ก, กลับก็ดึกเด่นข้อเืินรถเนี่ยถ้าจะเผาขาดล้อยางเนี่ยเสียหายในความขยันของเขาหมั่นเพียงนะเพียนพยายามพยายามทํนโน่นทํานี้ให้มันเกิดความสำาราจเราก็ามาบอกตัวเองว่านออะไรเนี่ยมันเป็น ตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตตรงเราเรามักจะไปกล่าวตรงนั้นว่ามันศักดิ์สิทธิ์เป็นสร้างวัตถุมงคลเหมือนหลวงพ่อออสเนี่ยว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์คองแล้วบูชาแล้วจะร่ำรวยมันก็เป็นแค่ความคิดแต่เราไม่ได้มองตัวเอง ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราในพยายามติดตามเกาดติดทุกสถานการณ์ว่ากินอย่างไรนอนอย่างไรเนี่ยให้มันมีความสุขในชีวิตกลังในชีวิตมันที่เราล้อให้ใเป็นเพราะเหตุอะไรที่เราเป็นนี้เป็นสิงไม่ยเพราะว่าเป็นเหตุอะไรบางคนก็โทษว่า หัวบ้าภรรยาบ้าลูกใช้เงินเก็บมากแต่ในขณะที่เราเกิดมาจนพ่อแม่เลี้ยงามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราเคยให้เงินทอพ่อแม่เราบ้างหร้อเปลาเรามีปากเนี่พ่อแม่สอนให้พูดเนี่ยเราเคยได้พูดดีกับพ่อแม่บ้างหรือเปล่าพ่อแม่ให้อาหารทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เราจเจริญเติมเต ม, มีกำลังเนี่ยเราเคยหาอาหารให้พ่อให้แม่กินวันหนึ่งห น, ง ห, น, ง ห, นงหนึ่งมื้อเนี่ยน้ำสักแก้วเนี่ยได้กินบันงึเปล่าจากเรงเราเคยนอนที่นอนหมอนมุ้งของพ่อของแม่พ่อแม่จะ ต, ต้องซักผ้าหาพรปูที่หลับจ่นอนพักมียุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอ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 ทำงานให้พ่อให้แม่บางหรือเปล่าสั่พ่อสั่งแม่ว่าอย่าทำเลยทำแล้วมันเหนื่อยนะแม่นะพ่อนี่คือบรรลุของท่า น, นท่านว่ามีจิตใจสานึกที่ดีเนี่ยเมื่อคนมีกำลังนะมีวาจาที่สอนมาอย่างดีก็ต่าพ่อนาะแม่เทียงพ่อเตียงแม่ พอพ่อแม่เรียนน้อยหน่อยพยายามส่งลูกให้เรียนสูงสุดเพื่อลูกจะได้มีวิชาติดตัวมีความรู้ถ้าได้ต่อสู้กับคนตื้นแต่กลับมาบอกบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนโง่พ่อแม่จะรู้เรื่องอะไรเรียนกันเนไม่รู้เรื่องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเมื่อฟังลูกอย่างนี้เนี่ยมีวัจีิกรับแล้ว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 บางเท่ารูเข็มก็เอาเข็มแทงหัวนมดูด น, นมแม่หัวนมแม่มันมีรูเท่าท่อหน้าแปดตั้งเทาไหรมันเล็กก็รูน้ำตาลอีก็ใช้เข็มยิงไฟแล้วก็เจอกลงให้รูเล็กๆเลกวลาเด็กดูดกจะได้ไม่สั่งลากไม่ออกมามากเกินไปเห็นไหมเป็ดเป็ดเลยเขาว่ากินน้ําเลือดน้ําเหลืองก็คือกินนมแม่ม น, นั่นเอง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 กับเป็ดมันกินพอมันหิวพ่อแม่ก็ต้องเอาน้ำเลือดน้ำเหลือ ง, น, องน้ำใสปากเรายังไม่รู้อีกัลยฟังในนิ c ายน้ำเน่าทั้งหลายนรกจะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสวรรค์อยู่ที่อนรกมันอยู่ที่ใจนั่นเองเราได้เห็นจินตนาการว่านารกจะต้องปีนต้อ ง, งิ้วจะต้อง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 เราได้เห็นว่าสวรรค์นรกเยมันมีจริงก็คือเมืองมนุษย์นี่แหละเอาละเจ้าชาอย่างนี้คกไม่รบ ก, กวนเรามากอาจจะปวดเมื่อยกันแล้วก็มังก็มีจะได้ทายของเก่าได้สวาปามของใหม่เข้าไปอะนิ ม, มนต์ครับ